จิตได้รับอบรมดังนี้ก็พ้นอาสวะอิเลธที่ดองกิตตสันดานได้และพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ฝึกตน ให้อบรมตนซึ่งครูก็อธิบายกันมาว่าก็หมายถึงให้อบรมจิตนี้เองฉะนั้นในบุคคลทุกๆคนนี้ จิตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พึงอบรมพึงรักษาคุ้มครองและจิตนี้เองที่ได้รับการอบรมดีก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายได้ คือพ้นกิเลสได้ดังนี้วิญญาณนั้นตรัสไว้ในขันห้าขันห้านั้นก็ได้แก่รูปประขัน ขันแปลว่ากองรูปขันก็แปลว่ากองรูปเวทนาขันกองเวทนาสัญญาขันกองสัญญาสังขารขันกองสังขารวิญญาณขันกองวิญญาณและวิญญาณนี้ ก็ได้ตรัสอธิบายไว้ว่าเมื่ออยายตนะภายในอยนายตนะภายนอกประโยกกันก็เกิดวิญญาณมีจักขู่วิญญาณเป็นต้นเห็นเมื่อตากับรูปประโยบกัน วิญญาณคือความรู้อันหมายถึงรู้ในการเห็นคือหมายถึงการเห็นที่เรียกกันว่าเห็นรูป การเห็นรูปนั้นก็เป็นความรู้รูปนั้นเองเรียกว่าจะขู่วิญญาณรู้รูปทางตาวิญญาณจึงเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่เรียกกันว่าการเห็นการได้ยิน คือเห็นรูปได้ยินเสียงการได้ทราบกลิ่นทราบรสทราบผลธรระการรู้เรื่องทางมโนคือใจเหล่านี้เรียกวิญญาณและเมื่อเป็นวิญญาณขึ้นสืบมาจึงเป็นเวทนา ก็เป็นความรู้อีกเหมือนกันแต่เป็นความรู้ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขสืบก็เป็นความรู้อีกเหมือนกันแต่เป็นความรู้จำจำรูปจำเสียงจำกลิ่นรสจำโอสถะสิ่งถูกต้องจำเรื่องราวที่คิด แล้วจึงมาเป็นสังขารก็เป็นความรู้อีกเหมือนกันคือรู้คิดปรุงหรือรู้ปรุงคิดก็นำเอาความจำหรือสิ่งที่จำนั่นแหละมาคิดคือมาปรุงขึ้นความคิดก็คือความปรุงนั่นเอง เนี่ยเพราะเป็นความปรุงจนเรียกว่าสังขารที่แปลว่าปรุงแต่งสังขารในขันท่าจึงมีความหมายดังนี้และเมื่อคิดปรุงหรือปรุงคิดไปก็รู้ไปด้วยในความคิดปรุงหรือปรุงคิดนั้นก็มาเป็นวิญญาณขึ้นอีก นี่คือขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อวาดถึงทางเกิดแห่งขันธ์ห้าในปัจจุบันคือขันธ์ห้าที่เป็นปัจจุบันธรรมอายตนะภายในอายตนะภายนอก ที่มาประจบกันอยู่นั่นก็คือรูปก็เป็นวิญญาณขึ้นมาจึงเป็นเวทนาเป็นทัญญาเป็นสังขารแล้วก็เป็นวิญญาณขึ้นมาอีกแล้วก็เป็นเวทนาเป็นทัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณขึ้นมาอีก วิญญาณจึงมาก่อนแต่ท่านไม่แสดงว่ารูปวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารท่านแสดงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาวิญญาณไว้ท้ายก็เพราะว่าขันห้านี้ เป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานในการที่จะปฏิบัติทำวิปัสสนาบัญญาให้เห็นแจ้งรู้จริงก็ตรัสสอนให้กำหนด พิจารณาขันธานี้เองโดยไตรลักษณคือลักษณะที่ไม่เที่ยงลักษณะที่เป็นทุกข์ลักษณะที่เป็นอนัตตาเมื่อเป็นดังนี้จับพิจารณารูปก่อนซึ่งประกอบขึ้นในถาดทั้งสี่ ดินน้ำไฟลมเป็นของหยาบก็กำหนดพิจารณาได้ง่ายและต่อจากที่จับพิจารณาเวทนาซึ่งเวทนานั่น ก็เป็นข้อเริ่มต้นของนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามรูปก็เป็นูปกกำหนดนามข้อเวทนานี้ขึ้นก่อนสะดวกเพราะเวทนาแม้เป็นนาม แต่ก็เกิดขึ้นได้ทั้งที่กายและที่จิตเป็นเวทนาทางกายก็มีเป็นเวทนาทางจิตก็มีกายก็หมายถึงรู ป, ปรกายฉะนั้นเมื่อจับพิจารณารูปก่อนก็พบเวทนา ที่รูปคือที่รูปปกายและก็พบเวทนาที่จิตเนื่องกันจับพิจารณาเวทนาต่อจากรูปกิงสะดวกแล้วก็มาสังขารและก็มาสัญญามาสังขารซึ่งเป็นนามธรรมโดยลำดับ แล้พิจารณาวิญญาณที่ประกอบอยู่กับความคิดปรุงหรือปรุงคิดที่เป็นตัวสังขารนั้นด้วยซึ่งเป็นของละเอียดแต่เมื่อได้จับพิจารณามาโดยลำดับดังนี้ จึงมาจับพิจารณาวิญญาณก็จะรู้จักวิญญาณได้สะดวกขึ้นเมื่อจับวิญญาณได้สะดวกขึ้นก็จะได้มีสติในขณะที่อาญาณะภายในภายนอก ประจบกันอยู่ซึ่งก็เป็นวิญญาณบังเกิดขึ้นเป็นการเห็นการได้ยินเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงได้เรียงวิญญาณเอาไว้เป็นท้ายซึ่งวิญญาณก็มีความหมายดังนี้ แต่ว่าวิญญาณนี้เองก็ใช้เรียกหมายถึงกิตในที่หลายแห่งอีกเหมือนกันเช่นในธาตุหกดังที่ได้กล่าวแล้ววิญญาณธ า, าตุธาตุที่หกคือธาตุรู้ก็หมายถึงและ ในที่อื่นอีกหลายแห่งแสดงคำว่าวิญญาณซึ่งหมายถึงจิตแต่สำหรับวิญญาณในขันท่าซึ่งตรัดแสดงเป็นพื้นนั้นให้มีความหมายดังที่กล่าวนี้ คำหนึ่งคือมโนคำว่ามโนนี่ก็แปลกันวัดใจเหมือนกันและจิตก็แปลกันเป็นคำไทยวัดใจเหมือนกันในภาษาไทยจึงใช้คำแปลเป็นคำเดียวกัน เราไม่รู้ว่าจะไปหาคำไหนคำอื่นมาใช้ให้ต่างกันไปคำว่าใจนั้นทุกคนก็มีความเข้าใจแต่ว่ามโนที่แปลว่าใจนี้เป็นอาจตนะภายในข้อที่หก อาจัาภายในนั่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและมณะคือใจซึ่งทั้งหกนี้เป็นทวานรคือเป็นประตูที่จิตรับอารมณ์คือเรื่องของรูป เพราะฉะนั้นฐานะของมโนโจึงเป็นทวารของจิตเท่านั้นเหมือนอย่างจากักขุตาเป็นต้นที่เป็นทวารของจิตเช่นเดียวกันแต่มโนคือใจนี้จะต้องประกอบกับตาผูจจมูกลินกาย าข้อนี้ตลอดเวลาด้วยจึงจะให้สำเร็จการเห็นรูปการได้ยินเสียงการได้ทราบกลิ่นทราบรสทราบผลทพะลำพังประสาท ต, ตาประสาทหูอย่างเดียวประสาท จะโมกประสาทเล่นประสาทกายอย่างเดียวไม่พอที่จะให้เกิดความรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงเป็นต้นได้ต้องมีโมโนข้อที่หนี้เขาประกอบอยู่ด้วยซึ่งก็ได้กล่าวมาแล้วเหมือนกันตามที่พระพุทธเจ้า และพระอาจารย์ภูอธิบายพระพุทธวจนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แสดงอธิบายไว้ดังนี้ก็ต้องกับความรู้ปัจจุบัน ให้ไปดูห้องแสดงกรรมฐานคือชั้นสองที่ตึกพปรที่แสดงระบบของมันสมองอันเกี่ยวกับประสาทท้งห้า ตามความรู้ในปัจจุบันก็จะเห็นได้ชัดเจนแสดงถึงว่าการเห็นรูปนั้นต้องอาศัยอะไรบ้างจะต้องอาศัยจกักรุประสาทและ จะต้องอาศัยมันสมองอีกส่วนหนึ่งที่เนื่องกับจักรู่ประสาทนั้นจึงจะให้สําเร็จการเห็นรูปได้การได้ยินเสียงก็ต้องอาศัยประสาทหูและก็ต้องอาศัยมันสมองอีกส่วนหนึ่ง ที่เกี่ยวกับประสาทหูจึงจะให้สำเร็จการได้ยินเสียงได้ฉะนั้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิริยาณวะโรรถได้ตรัสอธิบายไว้ว่ามนโนซึ่งเป็นอาจตนาข้อที่หนี้ก็เท่ากับเป็นมันสมอง วที่มีหน้าที่อันเกี่ยวเก่ประสาสทั้งห้าของบุคคลดังที่กล่าวนั้นแต่ว่าทางพุทธศาสนานั้นแสดงมโนในฐานะเป็นนามธรรมอันหนึ่งซึ่งสัมพันธ์กันอยู่กับรูปธรรม ส่วนประสาททั้งห้านับเป็นอายตนะข้อที่หกหรือเป็นประสาทภายในข้อที่หกก็คงจะได้เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณและมะโนซึ่งใช้ในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้มีความหมาย ดังที่แสดงมานี้และก็เห็นได้ชัดในทุติยเทศนาของพระพุทธเจ้าที่แสดงขันห้าวว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เป็นอนัตตามิใช่ตัวเพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้มเมื่อเป็นดังนี้รูปเวทนาสัญญาสัญญสัญญาสังขารวิญญาณจึงเป็นอนิจจะไม่เที่ยงและสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็ย่อมเป็นทุกข์ คือต้องแปลปรวนเปลี่ยนแปลงไปและสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตามิควรไม่ควรที่จะยึดถือว่านี่เป็นของเราเราเป็นนี่นี่เป็นตัวตนของเรา คือไม่ควรที่จะยึดถือว่ารูปเวทนาสัญญาสัสญญาสังขารวิญญาณเป็นของเราเราเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตาตาตัวตนของเราและในท้ายเทศนาก่อนใตรัส วจิตของพระเบญจวคีพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายดังนี้และในเทศนาที่สามทรงยกแสดงเป็นแม่บทว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน อะไรเป็นของร้อนก็คือรูปเวทอะไรเป็นของร้อนก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและมณะคือใจอันได้แก่อาจตนะภายในทั้งหกูปเสียงกลิ่นรสผลตพัธรรมะ คือเรื่องราวซึ่งเป็นอาจตนะภายนอกวิญญาณสัมผัสเวทนาอันบังเกิดสืบเนื่องมาจากที่อาจตนะภายในภายนอกปรรจบกันนั้นเป็นของร้อน ร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาาพยาธิมรณะร้อนเพราะชาติชราพยาธิมรณะ เพราะโศกความโศกปริเทวะความคร่ำครวญรำพันทุกขะความไม่สบายกายโทมนัสสะความไม่สบายใจอุปายาสะความคับแข้นใจและในท้ายพระสูตรก็ตรัสว่าจิตของภิกษุพันโลกที่เรียกว่าเป็นปูราณชะชนิน เป็นฉนินเก่าก็พจากอาสว่างนี้เป็นอันว่าได้ทรงจำแนกเอาไว้ชัดเจนวิญญาณก็ดีมนโนก็ดีเป็นข้อที่พึงพิจารณา ว่าเป็นอนัตตาหรือโดยไตรลักษณ์และว่าเป็นของร้อนแต่ว่าจิตนั่นไม่ได้ตรัสรวมเขาด้วยแต่ว่าตรัสว่าเมื่อได้ฟังก็ธรรมเทศนานี้ จิตของพระเบญจวัคคีและของพระบูรนัชินผันรูปก็พ้นจากอาสวะทางหลายเพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นสิ่งสำคัญดังกล่าวและจิตนี้ยังได้ตรัสเอาไว้ว่า ดูรังดำมังเที่ยวไปไกลเอกะจะรังเที่ยวไปผู้เดียวอสริรังไม่มีสรีระรูปร่างสันฐานกูหาเสยังมีคูหาคือถ้ำเป็นใส ตามที่ตรัสเอาไว้นี้เมื่อมากําหนดอาดูจิตของตอนก็จะเห็นได้ว่าเที่ยวไปไกลคือคิดไปนั่นคิดไปนี้ได้ไกลมากคิดไปถึงดวงอาทิตย์ก็ได้คิดถึงดวงจันทร์ก็ได้ถึงดวงดาวดวงใดดวงหนึ่งก็ได้ ในโลกนี้ก็คิดไปถึงที่นันทีนี่ได้ทั่วโลกทั้งนั้นแล้วก็เที่ยวไปภูเดียวหรือเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสริระคือรูปร่างสันฐานแต่ว่ามีคูหาเป็นที่อาศัยมีครูหาก็คือมีถ้าเป็นที่อาศัย หาคือถ้านี้พระอาจารย์ท่านอธิบายรวมกันไปว่ามีกายนี้เป็นที่อาศัยไปทีเดียวและพระอาจารย์ผู้อธิบายในภายหลังที่ท่านอาธิบายตามความเข้าใจของท่านเองบมืิตนี้อาศัยอยู่ที่หาทัยวัตถุ คือที่หัวใจของทุกๆคนที่เต้นตุบตบอยู่ทุกเวลานี้เมื่อจิตอาศัยอยู่ที่นี่แต่ก็ไม่มีพุทธพจน์ตรับแสดงเอาไว้ตรับเอาไว้ว่ามีคูหาคือมีถ้ำเป็นที่อาศัยเท่านั้นและ เมื่อวิทยาในปัจจุบันจเจริญมาถึงเพียงนี้ดังที่ได้มีแสดงถึงระบบประสาททั้งภาคกับระบบมันสมองที่ประสานกันและที่ต่้งของมันสมองอยู่ในกะโหลกศีรษะ ผู้ที่เป็นนักคิดในปัจจุบันจึงมีความเห็นว่าจิตน่าจะอาศัยอยู่กับมันสมองและภายในกระโหลกศีรษะนี้รูปร่างก็เป็นคูหาคือเป็นถ้ำอยู่แล้วตามบาลีที่ว่ามีคูหาที่แปลว่าถ้ำคือถ้ำในภูเขาเป็นที่อาศัย แต่พระอาจารย์ท่านต้องการที่จะให้ไม่ผิดจึงได้แสดงว่าคำว่าธรรมนี้หมายถึงกายก็คือมีกายนี้เป็นที่อาศัยและทุกคนนี้ที่เป็นบุคคลขึ้นมาอยู่ก็อาศัยกายหนึ่งจิตหนึ่งอาศัยกันอยู่ประกอบปันอยู่คือกายและจิตอธิบายว่า อาศัยอยู่ที่กายนี้คูหาคือถ้าก็หมายถึงกายนี้จึงไม่มีผิดเป็นการที่แสดงรวมทั้งหมด